เรื่องเล่าผีหลอนตอนตึกสี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่ฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งเคยได้พบเรื่องราวประหลาดประหลาดจากสถานที่แห่งนั้นอยู่หลายอย่างแต่แทบทุกอย่างที่เคยเจอมานั้นล้วนหาคำตอบได้แน่ชัดว่ามีที่มาอย่างไร จะมีก็แต่เรื่องในคืนนั้นเท่านั้นแหละตอนนั้นฉันถูกส่งไปฝึกงานที่นั่นคู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนมาด้วยกันชื่อหมิวหมิวเป็นสาวผิวขาวตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักแถมนิสัยซื่อๆคิดอะไรก็มักจะพูดออกมาตรงๆฉันว่านั่นเป็นสเสน่ห์ของเธอแต่คืนนั้น ไอความซื่อและใจดีของเธอนี่แหละที่ทำเรื่องคืนนั้นเนื่องจากเราได้รับมอบหมายงานให้จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิตแต่เนื่องจากมีงานอื่นติดพันบอร์ดจึงไม่เสร็จตามเวลาฉันกับมิวอยากให้บอร์ดเสร็จทันใช้ในวันพรุ่งนี้จึงขออนุญาตเปิดใช้ตึกจนถึงเที่ยงคืนเพื่อจัดการกันอย่างเร่งด่วน ใครจะรู้ว่าสถานที่ที่ค่อนข้างแออัดจอแจอย่างตึกผู้ป่วยนี้เมื่อยามกลางคืนเคลื่อนเข้ามาจะดูเหมือนกลายเป็นสถานที่อื่นอย่างสิ้นเชิงทั้งมืดทั้งเงียบชวนวังเวงหวิวหวาดในใจอย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะกับคู่หูปลอดแหกอย่างเราสองคนก่อนหน้านี้เราเคยไปทําธุระในเมืองกลับมามืด แล้วต้องเดินกลับหอพักหญิงซึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังโรงพยาบาลใครคนหนึ่งพูดถึงเรื่องผีผีขึ้นมาแล้วใครอีกคนก็ตกใจเงาตัวเองจนต้องพากาันวิ่งสุดฝีเทา้าถึงตึกก็แทบหัวใจจะวายตายหลังจากนั้นก็เลยตกลงกันว่าหากมีเหตุต้องกลับหอดึกๆอีก ห้ามใครพูดเรื่องผีขึ้นมาและถ้าเกิดมีเรื่องอะไรฉุกเฉินก็อย่าวิ่งให้ตั้งสติเดินเร็วๆเพราะการหลับหูหลับตาวิ่งในความมืดนั้นมันอันตรายกว่ามากคืนนั้นเราก้มหน้าก้มตาเร่งทำงานกันอย่างไม่ยอมหยุดกว่าจะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วเนื่องจากเราเป็นสองคนสุดท้ายในตึก เราจึงมีหน้าที่ต้องปิดไฟทีละดวงก่อนออกมาฉันกับมิวแยกกันเดินปิดไฟคนละฝั่งไฟในตึกค่อยๆดับลงมาตามทางจนกระทั่งถึงดวงสุดท้ายมิวเดินออกประตูมาแล้วฉันหันกลับไปสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนปิดสวิตต์แต่เสีย ว, วินาทีต่อจากนั้นเองในความมืด ห่างจากพวกเราไปราวสองเมตรร่างเงาประหลาดคล้ายมนุษย์ร่างสูงใหญ่เรืองแสงสีเขียวปรากฏวาบหนึ่งก่อนจะหายวับไปฉันยืนตะลึงตาข้างก่อนรีบกดเปิดไฟอีกครั้งและพบเพียงความว่างเปล่าเอา้าน้ำเป็นไรอะทำไมไม่ปิดเปิดอีกทำไมเนี่ยจะบ้าเหรอฉันก็สายหน้าดิก พยายามระงับความกลัวเพราะไม่อยากให้เพื่อนตกใจไปด้วยเออสวิตมันเสียมันเด้งไหนลองดิหมิวก็พยายามจะมาปิดแทนแต่ฉันดึงมือเธอไว้หน้าตึงตายังไม่อาจละจากตำแหน่งที่เห็นร่างลึกลับเมื่อครู่อย่าเลยมันเสียเดี๋ยวไฟช็อตนะเพื่อนก็ทำหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้ขัดอะไร อาจจะเป็นเพราะเธอก็ง่วงเต็มทีระหว่างเดินทางกลับไปยังหอนอนพยาบาลในคืนนั้นฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลยิ่งกว่าครั้งไหนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราต้องเดินผ่านตึกสี่ที่โรงพยาบาลนี้จะมีตึกผู้ป่วยในทั้งหมดสตึกด้วยกันคือตึกผู้ป่วยชายตึกผู้ป่วยหญิง ตึกผู้ป่วยฝึกอาชีพที่มีอาการดีจนใกล้ได้กลับบ้านและตึกสซึ่งพีพีเคยเล่าสั้นๆเพียงว่าเมื่อก่อนนั้นมันถูกใช้เป็นตึกของผู้ป่วยพิเศษที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่ได้ขยายความอะไรไปมากกว่านั้นพวกเราจึงสรุปกันแบบคิดเอาเองว่าคำว่าพิเศษ คงน่าช้พิเศษเดียวกับห้องพิเศษของโรงพยาบาลทั่วไปคือเป็นห้องเดียวมีพยาบาลจ้างดูแลส่วนตัวโดยต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่พิเศษสักหน่อยเอาไรทำนองนั้นไม่ได้นึกไปถึงพิเศษในรูปแบบอื่นเลยสักนิดเราเดินกันเกือบจะถึงหอนอนอยู่แล้วและตึกสี่คือตึกสุดท้ายที่จะต้องผ่านก่อนไปถึงมิว ก็เดินไปหาวไปในขณะที่ฉันตาตื่นจากเหตุระทึกเมื่อครู่แล้วเราก็ได้เห็นภาพเดียวกันบนชั้นห้าของตึกสี่ดูเหมือนจะมีแสงไฟสีเขียวเรืองๆปรากฏขึ้นแว็บหนึ่งทำให้เราต้องหันไปดูโดยพร้อมเพรียงตอนนั้นหลังชันเย็นวาบเหมือนนึกได้ว่าตึกนี้ปิดการใช้งานมานานมากแล้ว เฮ้ยน้ำเห็นปะมีคนอยู่บนนั้นด้วยอ่ะไอหมิวร้องเออะพลางยกมือขึ้นชี้ขณะที่ฉันกลืนน้ำลายเหนียวลงคอรีบจำเดินให้เร็วขึ้นเฮ้ยแกจะบ้าหรอน้ำดูก่อนดิคนไข้หนีออกมาหรือเปล่าไม่รู้เอากับมันสิเกิดจะมีจัญญาบันขึ้นมาสั ง, งั้นแต่ก็ไม่นานนักหรอกมันก็พูดต่อขึ้นเอง เอแต่ว่าตึกนี้มันปิดล็อกประตูเหล็กด้านล่างนี่ว่ะแล้วใครจะขึ้นไปได้ไงแถมแต่ละชั้นก็ล็อกลูกโครงอีกเออนึกได้สักทีฉันคิดพลางเปลี่ยนจากจำเป็นเริ่มวิ่งเยะ่ะยะหันไปอีกทีก็เห็นหมิวหน้าซีดเผือกก่อนจะวิ่งแซงฉันไปถึงหอนอนด้วยความเร็วแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นจากคนตุวมเตี้ยมแบบมัน คืนนั้นเราทั้งคู่อาบน้ําและเปิดไฟสว่างโพลง่งนั่งเบียดกันบนที่นอนจนสว่างคาตาก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกันว่าเราได้เห็นอะไรเมื่อคืนนี้ฉันถึงได้รู้ตอนนั้นเองว่ามิวเจอเด็ดกว่าฉันมากเพราะคนที่มันเห็นบนชั้นห้าพุ่งเหลาลงมาให้ดูจ่าจ่ในระยะประชิดแต่ดันหายไปกลางอากาศ ก่อนจะตกถึงพื้นหลังจากนั้นเราพยายามถามรายละเอียดเรื่องของตึกสี่จากพวกพี่ๆแต่ก็ไม่มีใครยอมเล่าอะไรเพิ่มเติมผ่านมาหลายปีเรายังไม่เคยลืมคืนวันนั้นไม่รู้ป่านนี้ตึกสี่จะกลับมาเปิดใช้หรือยังเอาเป็นว่าขอเตือนไว้สักนิด